มีน้ำอุดมดีก็จะงอกเงยมีผลิตผลที่สมบูรณ์ส่วนเมเล็ดที่ไปตกบนพื้นนาที่แห้งแลง้งมีแต่กรวดกับทรายและขาดน้ําก็จะเหี่ยวแห้งหรือเฉาตายหรือก็ไม่งอกเงยเสียเลยการทำทานนั้นผลิตผลที่ผู้ทำทานจะได้รับก็คือบุญหากผู้ที่รับการให้ทาน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 9. ถวายทานแก่พระอนาคามีแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระอระหันต์แม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 10. ถวายทานแก่พระอระหันต์แม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่า uh ก, รจจ ก, การถวายทานดังกล่าวแกพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม